มรณกถาสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปอปยุตโตอ่านโดยอริยคุณจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่สามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตทั้งคนมั่งมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปสู่ความตายทั้งหมดภาชนะดินที่ช่างหม้อทาแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งสุกและดิบล้วนมีความแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใด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 แต่เดิมหมายถึงทำให้หายพยศทำให้กลับใจจากความชั่วร้ายอันมาในทางดีหรือเปลี่ยนจากเข้าใจผิดมาเข้าใจถูกเช่นว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จไปทรมานดินสามพี่น้องสเสด็จไปทรมานโจรองคุลิมานสเสด็จไปทรมานพรหมิชาธิถิเป็นตน้นแต่ปัจจุบันนี้เราเข้าใจว่าเป็นทรมานหมายถึง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 ซึ่งมีหลักฐานในคำภีร์ให้สืบหาความหมายเดิมแท้ได้แต่ประเพณีการปฏิบัติต่างๆหลายอย่างไม่มีบันทึกเอกสารไว้ได้แต่ทําตามๆกันมาเมื่อคลาดเคลื่อนเลือนลางไปก็ไม่มีหลักฐานตรวจสอบทําให้ชําระซาสางได้ยากว่าเดิมนั้นท่านทําอย่างไรและมีความมุ่งหมายอย่างไรกันแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่จะทำได้ก็คือเอาหลักใหญ่มาตั้งเป็นเกณฑ์ตรวจสอบหลักใหญ่นั้นคือให้การกระทำแต่ละอย่างเป็นการกระทำที่ทำแล้วกุศลละธรรมเจริญอกุศลละธรรมเสื่อมไม่ใช่สักว่าทำหรือทำแล้วได้ผลตรงกันข้ามกลายเป็นอกุศลละธรรมเจริญอกุศลละธรรมเสื่อม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 พิธีอาบน้ําศพจะกล่าวคําว่าอย่างไรขอให้นึกถึงเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันทปรินิพานคราวนั้นพระอนุรุตเทระก็อยู่ที่นั่นพระอานนทเทระก็อยู่ที่นั่นพระอินทก็อยู่แต่ละท่านได้กล่าวคําแสดงธรรมสังเวทท่านละคถาก็ว่าไม่เหมือนกันเลยเช่นว่าอนิจจาวัตสังขาราเป็นต้น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 การสมาทานศีลมักจะมีพิธีพิธีนั้นเดิมเป็นการตระเตรียมเป็นวิธีการเพื่อช่วยให้การกระทำนั้นๆเรียบร้อยหนักแน่นจริงจังเช่นจะสมาทานศีลเองคือตั้งใจกำหนดใจเอากับตัวเองว่าจะรักษาศีลก็ได้แต่มีพิธีก็เพื่อให้เป็นการสำทับกับตัวเองให้หนักแน่นจริงจังแต่เดี๋ยวนี้คาว่าพิธี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 การสวดพระอภิธรรมสามสี่จบเป็นภาษาบาลีนั้นเกิดขึ้นอย่างไรก็ยากจะสันนิษฐานอาจเป็นได้ว่าเวลานั้นคนรู้ธรรมกันมากมายลึกซึง้งและรู้บาลีกันมากด้วยเมื่อมีงานศพจะต้องมานั่งชุมนุมกันนานๆจะแสดงธรรมอะไรในหมู่ผู้รู้ก็จะจืดเลยเอาอภิธรรมมาสวดเป็นหัวข้อนำเป็นการซักซ้อมทบทวนด้วย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 สละทรัพย์บำรุงพระศาสนาที่ไหนบ้างเป็นต้นและก็มักบอกอา น, นิสงส์ว่าเทศแจงนี้ได้บุญมากมายเพราะมีตั้ง8 4 0 0 0ี่พันพระธรรมขันธ์เป็นการสืบต่อพระศาสนาเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่การแสดงธรรมโดยเฉพาะเทศแจงเป็นเทศใหญ่แต่เดิมอาจจะเป็นโอกาส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 จะจัดหรือไม่จัดก็พึงพิจารณาดูสาราเถิดคำถามการฟังธรรมคนมักเบื่อการฟังเทศก็ฟังกันพอเป็นพิธีมีไม่กี่คนจะมากเอาตอนทอดผ้าบางสุกุลเจ้าภาพก็ต้อนรับแขก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 เราก็มาเอาดีกันตรงเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องอย่างที่เล่ามาว่าเชิญผู้มีเกียรติมากมายขึ้นทอดผ้านั้นนิยมทากันมากในชนบทไม่นานนี่เองในกรุงไม่ค่อยทำเพราะคนมีเวลาน้อยแต่ในแง่สาระก็ไม่ค่อยได้ด้วยกันทั้งในกรุงและนอกกรุงเป็นแต่ว่าในชนบท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 ท่านนิมนต์เจ้าคุณพระครูมาได้มากๆก็ถือว่ามีเกียรติเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ควรทำอย่างไรมาติกาเรื่องนี้ก็เหมือนกับข้อก่อนๆ น, นั่นเองคือเหลือแต่ซากมาติกาเมื่อเหลือแต่ซากแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสารากต่างๆการถือยุ่มยิ้มต่างๆก็ตามกันขึ้นมาเองเป็นธรรมดา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 ได้แก่หมวดกุศลอกุศลอัพยากฤตซึ่งต้องขยายความต่อไปคำถามการฟังพระสวดมาติกาแขกก็นั่งพนมมือปากก็คุยกันไปเจ้ า, าพาก็มวยุ่งเรื่องทอดผ้าจะเอาใครบ้างใครก่อนใครหลังใครจะเป็นประธานจุดไฟ พระคงจะสวดให้คนตายฟังเพราะก่อนสวดต้องไปเคาะลวงบอกทุกทีคำตอบข้อนี้ก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนๆคำถามการทอดผ้าบางสุคุลพิธีกรจะประกาศเรียกชื่อผู้มีเกียรติมาทอดชุดละสี่คนจนเท่ากับจำนวนพระขนาดทอดผ้า บางท่านก็ว่านามะรูปังอนิจังหรือมายามริตตพังเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ควรทำอย่างไรข้อนี้ก็ตอบเหมือนกับข้อก่อนๆส่วนคำที่ว่าขณะทอดผ้านั้นพึงถือคติอย่างที่ตอบในข้อที่หนึ่งคำที่ยกตัวอย่างมาถ้าเข้าใจความหมายก็ใช้ได้ ขออย่าเพียงว่าเป็นครั้งคังไปก็แล้วกันคำถามการพิจารณาผ้าบางสุกุลพระท่านว่าอ น, นิจจาวัตสังขาราจนถึงเตสังวุปสโมสุโขวักสุดท้ายส่วนมากก็แปลกันว่าตายแล้วเป็นสุขน่าจะถูกเพราะว่าเกี่ยวกับการตาย แต่ถ้าแปลยอย่างนี้ก็ขัดกับคำว่าโมระัมปิกทุกขังคือความตายเป็นทุกข์ใช่หรือไม่การพิจารณาผ้าบางสุกุลคำที่พระว่าวักสุดท้ายไม่ใช่แปลว่าตายแล้วเป็นสุขแต่แปลว่าการดับทุกข์ได้เป็นสุขแปลาตามสับว่า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 คำถามการกรวดน้ำบางท่านว่าอิมินาปุญญากรรมเมนะหรือขออุทิศส่วนกุศล น, นี้ให้แก่ผู้ตายหรือไม่ต้องกรวดทำบุญ ล, ลักถึงเองหรือไม่ต้องกรวดถึงกรวดก็ไม่ถึงหรือไม่ต้องกรดเพราะญาติเขาไปเกิดแล้วหรือไม่ต้องกรวดญาติของเขาไม่ได้เป็นเปรต